อุเบกขาสันติรณะสองสมณสันติรณะหนึ่งอธิบายก็คือชาวนะเนี่ยนะถ้าเป็นมหากุศลดวงที่หนึ่งมหากุศลดวงที่หนะึ่งะชาวนะเจดดวงเนี่ยตถารรมนะก็จะเป็นมหาวิบากดวงที่หนึ่งถ้าเป็นมหากุศลดวงที่สองในชาวนะนะ ตาารมณะก็จะเป็นดวงที่สองอันนี้เรียกว่าตามสมควรแก่ชาวณนะ์ชาวนะเป็นกุศลอย่างไรภวังก็จะเป็นอ่ะขอไปตาธารมณะก็จะเป็นเช่นกับชาวณนะ์ในเนียอย่างหนึ่งที่นี้อันนี้นี่ที่เป็นมหากุศลนะถ้าเป็นอกุศลล่ะ ตถารมมณะเนี่ยจะเป็นดวงไหนก็บอกว่าตามสมควรแก่กรรมเนี่ยนะตามสมควรแก่กรรมที่เช่นว่ามหากุศลดวงที่เท่าไหร่มาให้ผลเป็นตถารมมณะนะทัวร์อครั้งหนึ่งว่าถ้าเป็นมหากุศลเกิดในชาวนะมหากุศลเป็นเครื่องวัดว่าตถารมมณะควรจะเป็นดวงไหนเช่นถ้ามหากุศลดวงที่หนึ่งตถารมมณะก็เป็นดวงที่ที่หนึ่ง ถ้าเป็นมหากุศลดวงที่เจ็ดมตินะตถาลัมมณะก็จะเป็นดวงที่เจ็ดทีนี้ถ้าเป็นอกุศลน่ะอกอกุศลในชาวนะเป็นอกุศลตทาลัมมณะก็ตามสมควรแก่กรรมในอดีตที่ที่เป็นปัจจัยให้นะแต่ถ้าผู้ที่ปฏิสนธิด้วยโสมนัสนะปฏิสนธิด้วยมหากุศลดวงที่หนึ่งชาวนะเป็นโทสัต จะต่อด้วยอาคันตุกะผวังก่อนจะมีเงื่อนไขพิเศษอีกหลายเรื่องนะในในเรื่องของหลังจากชาวนะมาเป็นปัจจัยแก่ตาาลัมมณะหรือจะเป็นปัจจัยแก่ผวังยังมีผวังมาแทรกอีกเรียกว่าอาคันตุกะผวังอันนั้นก็เรื่องเอาไว้เรียนเรื่องจิตเรื่องอะไรแล้วก็จะเอามากล่าวอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็เรียนเรื่องจิตแต่ขณะเรียนเรื่องจิตธรรมดาพื้นๆนะเราก็สาวไปไม่รู้กี่เรื่องต่อกกี่เรื่องแล้วนะ เพราะว่าของนักเรียนห้องเรานี้มีตั้งแต่พึ่งเรียนกับเรียนมานานแล้วมันก็เอาคู่กันไปนะแล้วในพวกมหาวิบากเนี่ยนะมหาวิบากปกติแล้วสามารถทำกิจได้หนึ่งปฏิสนธิสองวังสจุติเนนะสี่ ตถารมณนะทำกิจได้สี่ประการเนี่ยนะตัวตัวมหาวิบากนะแต่ว่าการเกิดของมหาวิบากเหล่านี้ตามสมควรแก่ันะชั้นแรกก่อนก็เอาชาวนะดวงที่เจ็ดก่อนใช่เป็นเครื่องวัดอย่างหนึ่งอย่างที่สองก็คือเอากำรรนี้มาเป็นเครื่องวัดว่าตธารมณะจะเป็นอะไรส่วนปฏิสนธิภวังจุติเนี่ยไม่มีใครไม่มีใครเปลี่ยนได้ ใครเกิดมาด้วยปฏิสนธิจิตดวงที่เท่าไหร่นะชาตินี้ก็ต้องยอมรับไปทั้งชาตินั่นแหละถ้าดวงที่เจ็ดดวงที่แปดเกิดมาด้วยดวงที่แปดก็ต้องยอมรับดวงที่แปดจนกว่าปฏิสนธิจิตอันใหม่จะเกิดขึ้นนะั่นแหะเห็นจนกว่าจะเปลี่ยนไอ้ปฏิสนธิที่ผวังจุติได้เนหะ็นไหมว่าเงินในก็ตายแล้วเกิดใหม่อย่างเดิมวอต่างกันตรงที่ว่า พวกมหาวิบาลดวงที่แเกิดมีเหตุประกอบแล้วก็มีโสพนาสาธารณะเจตสิกประกอบทั้งคุณภาพจะดีกว่าเหนะวาดง่ายนะโสพนาสาธารณะสิบเกเกิดร่วมด้วยอัญญสมนาอีกเวน้นปีติเหนยหนะอัญญสมนาเว้นปีติใช่ั้มเหลือเท่าไหร่สิบสองเนไะก็เยอะแล้วใช่ั้ยอ่า ก็มีเท่านี้พ่อเว้นปัญญาเนี่ยบราเตียประเมญาไม่ได้อยู่แล้วเท่าไหร่ละสามสิบเอ็ดิส่วนอุเบขาสันติรณะเนี่ยนะมีเพิ่มสภาจิตตส า, ารณาเจ็ดแล้วก็วิตกวิจารเนี่ยนะแล้วอะไรอีกตัวอธิโมกใช่มเมียธิโมกก็มีอยู่เท่าเนี้ย คุณภาพมันแตกต่างกันมากนะแต่ว่าคือยาณวิปปยุทธ์ก็ดีกว่าอุเบกขาสันติรณะ น, นะดีกว่าในแง่นี้แล้วก็คือพัฒนาขึ้นได้มากกว่านะสอนสอนได้สอนดีกว่าพวกอุเบกขาเพราอุเบกขาเนี่ยถ้าเกิดมานั่งน้ำลายไหล ย, ยืดอย่างงี้ก็ไม่รู้จะสอนกันตรงไหนนะ เือถ้าเป็นพวกเนี่ยพวกยาณวิทประยุทธ์ทั้งหลายก็เป็นคนค่อนข้างเฉยๆนะฉลาดก็ไม่ค่อยฉลาดแต่ว่าก็พอคุยกันรู้เรื่องนะถ้าไม่ต้องซับซ้อนอะไรมากนะถ้าไม่ต้องลึกซึ้งอะไรมากก็พอคุยกันรู้เรื่องบก่่้าทีตม ไอ้จำแข้ากหนาที่บอกว่าบัณฑิตบัณฑิตตึงครับตึงนับตึงลดการนับเนี่ยหมายความว่าการนับด้วยอำ น, นาจแห่งความเป็นไปเป็นทานเป็นต้นนันหลงก็ <c oughs> มหาวิบากไม่สามารถให้ทานได้มหาวิบากไม่สามารถรักษาศีลได้คือไม่ต้องไปนับแบบมหมากรุส น, นะนะหมากุศลยังคูณด้วยบุญกิริยาวัตถุเสพจะคูณด้วยอารมณ์ก็ได้คูณด้วย กายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมก็ได้คูณด้วยทธิบดีก็ได้เนี่ยนะจะนับให้มันเยอะเท่าไหร่ก็ได้แต่มหาวิบากไม่ไม่สามารถจะนับแบบนั้นได้เนี่ยนะก็ก็เพราะมันเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นเงาแล้วอ่ะนะคือถ้าเป็นเงาแล้วไปแต่งอะไรมากไม่ได้ใช่แต่ตัวจริงนี่แต่งไดนะ้คือสมมติว่าภาพภาพตัวจริงเลยนะจะแต่งสีแต่งอะไรยังไงก็ได้ถ้าเป็นเงาไปแล้วเนี่ยแต่งแต่งไม่ได้ คำว่างเงาคือเงาที่ส่องมาจากดวงอาทิตย์นะไม่ใช่เงาในภาพในคอมพิวเตอร์นะพาภาพในคอมมันแต่งได้แล้วพักสักนิกหนกงก็ได้นะค <c oughs> พือส่วนของ มหากิริยาเนี่ยท่านไม่ได้อธิบายอะไรไว้มากเพราะไม่มีความต่างจากมหากุศลเพียงแต่ว่าเกิดในสันดานของผ้าหันส่วนที่เหลือก็เป็นขยายเกี่ยวกับเรื่องศัพเฉยๆเนี่ยนะว่าทำไมต้องใช้สเฮตุกะมาวางตรงนั้นวางตรงนี้ด้วยก็ปัญหาเรื่องพยัญชนะก็ผ่านไปส่วนอธิบายสังหาคาานะว่าบัด น, นี้ท่านอาจารย์ประสงค์จะแสดงรวมกา ม, มาวาจร ะ, ะจิตแม้ทั้งหมดจึงกล่าวคมีคาว่ากามี วีสะเป็นต้น น, นะอธิบายว่าจิตในการมาพบแม้โดยประการทั้งปวงถึงมีประเภทมากมายโดยความต่างกันแห่งปกินกะคือเอาปกินกะมาเป็นเครื่องวัดนะจิตเนี่ยจะหาจะเยอะแยะไปหมดเลยเช่นเอาการมาจับใช่ไหมจิตในอดีตจิตในอนาคตจิตในปัจจุบันเนี่ยนะอันนี้จิตก็เยอะแล้วนะหรือจะเอาทวารมาจับเนี่ยนะเช่นจักขูทวารโสตค า, านาชิวหากายะมโนทวานนี่ก็เยอะล้ะหรือจะเอา สันดานมาจับเนี่ยนะสันดานแปลว่าคนเราคนอื่นนายกนายขอนายงอเป็นต้นเนี่ยนะถ้าเอาเป็นคนคนมาจับนี้ไม่มีจบมีสิ้นใช่ไหมก็ไม่มีจบมีสิ้นก็เรียกว่าถ้าวัดโดยสันดานเป็นต้นน่ะนะหรือแม้กระทั่งกุศลเนี่ยถ้าเอาบุญกิยาวัตถุสิบมาจับเอาอธิบดีมาจับเอาอย่างอื่นมาจับจิตก็เยอะแยะไปหมดแต่ก็มีเพียง54ดวงเท่านั้นโดยความต่างกันแห่งธรรมะที่อย่างลงภายในกุศล คือถ้านับย่อๆแบบอย่างลงอ่ะนะก็มีแปดข้อภายเป็นกุศลอกุศลวิบากกิริยาคือเป็นอกุศลวิบากได้7ดวงเป็นกุศลวิบากได้16ดวงเนีย่ยนะคือสเสหตุกะ8และอหิตุกะ8รวมเป็นวิบากจิตทั้งหมดนั่นนะกามาวจระจิตเนี่ยมี23เนี่ยนะกามาวจระวิบาก23ยาอกุศล12มาหากุศล8เนี่ยนะ ก็ทั้งกุศลอกุศลก็รวมกันเป็น20ดวงส่วนอเหตุตุกะกิริยานี่มี 3, สเหตุตุกะกิริยานี่มี8รวมเป็นกิริยาจิต11ดวงเนี่ยนะก็แยกย่อๆว่ากุศลอกุศ ล, ศลวิบากกิริยาเนี่ยนะก็ว่าไปตามชาตินะ ในจิตทั้ง54ดวงนั้นเป็นจิตที่ควรให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นจิตที่เกิดขึ้นในชีวิตของสัตว์ในกาลมาภูมิทั้งหมดเลยนะสัตว์ในกาลมาภูมิเนี่ยโดยมากจิตจะมีอยู่เท่านี้จริงๆแม้กระทั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเว้นขณะที่พระองค์เข้าฌานเว้นขณะที่พระองค์เข้าพราสมาบัตจิตก็จะมีประเภทเหล่านี้ทั้งนั้นแหละ นะทัวในครั้งว่าเป็นกุศลทั้งหมดเท่าไหร่8เป็นอกุศล12เนะเป็นวิบาก23 23่คือวิบากที่เป็นวิบากของกุศลนะมีสะเสหตุกะวิบาก8อาอเหตุกะวิบากอีก8เป็นเท่ากับผลของบุญนะมี16 เนี่ยนะส่วนอาุศลวิบากมี7คืออาุศลวิบาก7เนี่ยนะแล้วก็แบ่งเป็นกิริยาอีก11ดวง11ดวงก็เป็นอเหตุกะกิริยา3สเหตุกะกิริยา8น น, น, ท เ, นเท่ากับ11เอดวง ในกุศล น, นะเป็นธรรมะที่เรียกว่าไม่มีโทษอกุศลเป็นธรรมะมีโทษเนี่ยนะกุศลเป็นธรรมะขาวอกุศลเป็นธรรมะดาเป็นต้น น, นะนะก็ก็ควรให้ความสําคัญในกุศลอกุศลเอาไว้ให้มากเพราะว่าอากุศลเหล่านี้ถ้าเป็นสมุทฐานขอเป็นสมุทฐานทั้งกาย วาจาและมโนเนี่ยนะเขามีคําถามว่าอ้าวแล้วมันก็จิตเหมือนกันแล้วเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดว่าเป็นกายเป็นวาจาเป็นมโ น, โนล่ะมันก็จิตนี่เราก็เรียนเรื่องจิตอยู่แล้วทําไมก็ต้องเอากายเอาวาจามันก็คือจิตทั้งนั้นแหละเป็นเหตุอ่ะก็เหมือนคําถามว่าศีลเนี่ยสรุปว่าศีลเนี่ยมันเป็นกายเป็นวาจารหรือมันเป็นใจกันแน่ตัวศีลเนี่ยตัวศีลเนี่ยเป็นกายเป็นวาจาหรือเป็นใจกันแน่แล้วกูสนเนี่ย เอากายวาจาใจมาจับแล้วเอ๊ะกุศลเนี่ยมันเป็นกายเป็นวาจาหรือเป็นใจกันแน่อันนี้นี่เป็นคำถามของผู้ที่สับสนจะเป็นลักษณะนี้คําว่ากายตัวนี้เนี่ยนะท่านเน้นมาที่อะไรวิญญัตวจีก็วิญญตัญญ ต, ญญตเหมือนกันกุศลใดคือตัวจิตน่แหละที่เป็นกุศลเนี่ยนะกุศลใดที่ทำกายะวิญญตัตกุศลอันนั้นเรียกว่ากาย กุศลจิตเป็นสมุธฐานให้เกิดกายยวินยัตนะกุศลประเภทนั้นเรียกว่ากายกรรมกุศลใดถ้าเป็นปัจจัยให้เกิดคําพูดออกมานะก็เป็นวจีกรรมเพราะล่วงวินยัตออกมาวินยัตเป็นตัวเป็นจิตเชรูปเป็นรูปที่เกิดจากจิตเหล่านี้นี่แหละถ้ารูปอันนี้เกิดเมื่อไหร่กุศลอันนั้นเรียกว่าอนานะกายหรือวาจาก็ว่าไปตามวินยตริรูป ส่วนกุศลในมโนทวารเนี่ยนะที่ว่ามโนกรรมก็คือเพราะไม่ทําวิญยตติรูปเมื่อไหร่เรียกว่ามโนกรรมเน้นเพราะไม่ทําวินยตติรูปนะเช่นนิ่งๆเลยนะเช่นเดิยืนนิ่งๆไม่ขยับอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งร่างกายและจิตใจออทั้งวาจาเลยนะอันนั้นเป็นมโนกรรมนั่งนิ่งๆก็ได้ยืนนิ่งๆก็ได้อะไรนิ่ง ๆ, ๆก็ได้โดยที่ไม่ปรารบวิญยต์เนี่ยนะไม่ไม่สร้างวิญยติไม่มีการขยับอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาแม้แต่หน่อย อันนั้นเป็นมนโนกรรมงั้นแม้กระทั่งคําว่าศีลก็เหมือนกันตัวศีลเองจริงๆก็คือเป็นกุศลแต่เป็นกุศลที่ล่วงมาทางกายคือกุศลที่ทํากายวินยัติกุศลที่ทําวจีวินยัตเห็นไหมอันนี้เลยเรียกว่ากุศลอันนี้แหละเป็นปัจจัยเรียกว่าเป็นศีลเห็นไหม ทีนี้ในบรรดาธรรมะที่ควรพิจารณาต่อไปเนี่ยนะที่เว้นจาก อ, อย่างที่กล่าวไปคือเรื่องของอารมณ์เนี่ยนะเพราะการจะค้นหาจิตเหล่านี้ได้สังเกตจากอารมณ์เนีเพราะว่าอารมณ์นี้เป็นถือว่าเป็นตัวที่สําคัญมากต่อการเกิดของจิต เพราะว่าจิตนี้เกิดขึ้นโดยเว้นจากอารัมมณะปัจจัยไม่ได้เพราะวิธีปรารบที่จะศึกถ้ามีความทรงจำจิตทั้ง54ดวงนี้ดีเวลาที่ปรารพรูปารมขึ้นมานะก็คิดดูว่ารูปารมอันนี้มีจิตอะไรเกิดขึ้นบ้างเนีย่ยนะถ้าถ้าเจริญแบบของเรานะก็ดูซิว่าเป็นกุศลไหมหรือเป็นอกุศลหรือก็ถ้าเป็นอกุศล มีโทษนะถ้าเป็นกุศลไม่มีโทษหรือจะเอาทานศีลภาวนาเป็นเครื่องวัดว่าเออเนี่ยเป็นไปกับทานศีลภาวนานะจึงเป็นกุศลที่เป็นอกุศลเพราะว่าเป็นไปกับการถือโดยนิมิตและอนุพยัญชนะนิมิตก็คือเน้นนิมิตอะไรปฏิฆานิมิตกับสุภาษณิมิตเนี่ยนะส่วนถ้าใครจะเจริญพุทธานุสติหรือสังขานุสติก็เนี่ยพิจารณาจิตเหล่านี้กิริยาจิต อย่างหนึ่งคือพิจารณาแบบแบบแบบปฏิเสธว่าพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านไม่มีอกุศลจิต12เลยในการรับรู้อารมณ์ทุกอารมณ์อันนี้อันนี้เจริญแบบปฏิเสธนะนะถ้าเจริญแบบน้อมเข้าไปว่าจิตที่เป็นเหตุหลังจากการเห็นการได้ยินทุกอย่างของท่านเป็นมหากิริยาจิตหมดเลยเนี่ยนะเวน้นเวน้นจิตชาติวิบากเสียเนี่ยนะจิตชวนะของท่านเป็นกิริยาหมด เมื่อเป็นกิริยาอย่างนี้เราก็จะเห็นว่ามหากิริยานั้นบริสุทธิ์คือไม่มีราคาโทสะโมหะเป็นต้นกลุ้มรุมอยู่ในนี้เลยแล้วก็จะเห็นศรัทธาหิริโอตต ป, ปะศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาหรือกุศลอื่นๆที่อยู่ในในสเสหตุกะวิบากขออภัยในสสเสหตุกะกิริยาเนี่ยนะสเสหตุกะกิริยานี้ตามหลักเขาถือว่ากุศลธรรมเกินหสนะิบน ถ้าใช้คำว่ากูสนแล้วทำเกินห้าสิบเยอะไหมคําว่ากุศลเกินห้าสิบคือในเนี่ยกุศนแปลว่าไม่มีโทษใช่ไหม ม, มีสิ่งที่ไม่มีโทษเกินห้าสิบอยู่ในตัวเช่นอะไรม้างภาษาก็ไม่มีโทษเวทนาสัญญาเจตนาจิตไม่มีโทษ น, น, นะนะวิตกวิจารณทิโมกวิริยะปีติฉันทะไม่มีโทษพวกนี้น เขารียว่ากุศลธรรมเกิน50ินะถ้าคุณบุญชูเขาเจริญพุทธคุณบทเนี่ยจะเห็นใช่ไหมพบไหมคุณชูพระพุทธเจ้ามีกุศลธรรมเกิน50มีมีไหบทเนี่ยเพราะนั้นผู้ที่ศึกษาเรื่องนี้จะเห็นชัดในบทว่าในในจริยาปิดกันนะที่ภาษารีบุตรตามระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าจะมีว่ากุศลธรรมเกิน50นี่ที่หนึ่งที่หนึ่งก็คือในสำปัสสถานีสูตรที่ภาษารีบุตรเจริญพุทธคุณเนนะ ในในตอนต้ น, ต น, ตนที่ภาษารระลึกถึงพุทธคุณว่าพระองค์มีศีล ส, สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะมีสติสัมปชัญญะมีริโอตปะมีกุศลธรรมเหล่านี้เป็นต้นนะก็ว่าโดย1หมวดหหมวดสอหมวด3มหมวด4หมวด5หมวด6หมวด7หมวด8หมวด9หมวด10หมวดสิหมวด12หมวด13หมวด14หมวด15หมวดสิแล้วก็หมวด18เนี่ยนะเช่นพุทธธรรม18นี่นะแล้วก็ไล่ขึ้นไปอีกหมวด ไรนะห ม, 40, รหมวด40หมวด4 0หมวดห0เนี่ยแล้วก็เกิน50แล้วก็หมวด77อย่างเงี้ยนะก็ไล่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเขาก็ามีไล่พุทธคุณไปเนี่ยนะตามลำดับนะจะจนสองล้าน4ี่แสนโกดเนี่ยนะมหาวชิระสมาบัติอะไรเขาจะไล่ไปอย่างเงี้ยมันก็คือในมหากุศลอันเนี้ยนีเราเน้นเฉพาะมหากิริยาเนี่ยนะก็จะค้นหากุศลธรรมเหล่านั้นเหล่านั้นได้ เลอที่ชัดอีกอย่างหนึ่งว่าคําสอนทุกสูตรเกิดจากมหากิริยาเป็นสมุทฐานให้แป่งวาจาออกมาแม้แต่การทําสังายานาของพระารหันทั้งหลายก็ทําด้วยมหากิริยาการรักษาคําสอนของพระารหันก็รักษาด้วยมหากิริยาการบอกการสอนการสาธยายเป็นต้นของผ้ารหันเป็นมหากิริยาทั้งหมดพันถ้าผู้ที่เข้าใจอันนี้ก็ถือว่าเป็นบาตรแห่งการเจริญพุทธคุณกับสังฆคุณเป็นอย่างดี และอย่างหนึ่งให้เห็นธรรมคุณว่าผู้ที่ตรัสรู้อริยสัจที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยนะแทงตลอดธรรมคุณระดับนั้นแนละ้วจะไม่มีกิเลสหลังจากนั้นเลยเนี่ยนะก็เลยกลายเป็นผู้ที่เป็นกิริยาตลอดอนะส่วนอารมณ์นะเป็นเครื่องวัดอย่างหนึ่งหรือสิ่งที่ควรไปฝึกคิดอีกอย่างหนึ่งคือทวารเมื่อตามองเห็นและจิตใดๆจะเกิดใน ในพวกเราก็เอาเนี่ยจิตยี่สิบเนี่ยมาวัดชาวนานะถ้าวัดชวนะกันของพระภาหานก็เนี่ยชาวนะก็เป็นไปกับมหากิริยาเพราะฉะนั้นก็พวกนี้ก็เป็นเครื่องวัดทวารด้วยเหมือนกันว่าหลังจากเห็นของเราแล้วนะจิตใดจะเกิดหลังจากได้ยินแล้วเนี่ยนะจิตเหล่าใดจะเกิดหลังจากการรู้กลิ่นแล้วจิตเหล่าใดจะเกิดเพรานพวกนี้จะเป็นเครื่อง เครื่องวัดเอาไว้ให้ให้ศึกษาชีวิตได้เป็นอย่างดีว่าจิตใดๆเกิดบ้างถ้ามีการแยกแยะใไข้ครวญจิตเหล่านี้ได้บ่อยๆที่เจริญได้ง่ายมากคืออะไรจิตตานุปัสสนาเพราะมีการแยกแยะความคิดเหล่านี้ขึ้นนะของโดยทวารโดยอารมณ์โดยแง่มุมต่างๆโดยนิยะต่างๆก็จะชัดเจนขึ้นถ้าเข้าใจแล้วก็สาว